ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อนเมื่อไฟร้ายกับไฟดีแทรกซ้อนชิงกันอาจมีผู้แย้งขึ้นมาในตอนนี้ว่าความอยากมีสุขภาพดีน่าจะเป็นตัญหาเพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพดีแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถเสพสุขเวทนาได้อย่างเต็มที่ คำแย้งนี้เกิดจากความคิดแบบตีคลุ่มไม่ถูกหลักวิพัชวาทะหรือหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้แยกแยกองค์ประกอบเหตุผลปัจจัยต่างๆออกไปวินิจฉัยเป็นอย่างๆให้ชัดจึงจะได้ความจริงแน่แท้ไม่ใช่เอาขั้นตอนปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆเข้ามาปะปนสับสนกันแล้ววินิจฉัยตีคลุมลงไป ในกรณีนี้ความมีสุขภาพไร้โรคอยู่สบายเป็นธรรมหรือธรรมะเป็นภาวะดีงามเกื้อกูลอยู่ในตัวของมันตัดตอนขาดไปได้ส่วนใครจะเอาความมีสุขภาพไปใช้เพื่ออะไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเขาอาจจะต้องการมีสุขภาพมีร่างกายดีเพื่อจะใช้บำเพ็ญประโยชน์หรือเพื่อปฏิบัติธรรมกำจัดกิเลสก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมุ่งเพื่อเอาไปใช้เสพสวยสุขเวทนาเสมอไปและนั่นก็คือต้องตัดเป็นอีกช่วงตอนหนึ่งในเรื่องนี้พึงเทียบกับสติซึ่งเป็นกุศลเป็นธรรมะฝ่ายดีเกื้อกูลแต่อาจนำไปใช้ผิดเป็นมิจฉาสติก็ได้ใช้ถูกเป็นสัมมาสติก็ได้ ความจริงความคิดของคนทั่วไปที่สำเร็จออกมาครั้งหนึ่งหนึ่งมักจะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆผสมซ้อนกันอยู่ซึ่งจะต้องแยกแยกออกไปเสมอบางทีก็ซับซ้อนต้องซอยละเอียดยิ่งไปกว่าที่กล่าวมาเสอีกบางคนอาจคิดว่ารอกินแต่พอดีจะได้เป็นคนแข็งแรงสวยงามหรือว่าจะได้เป็นคนมีสุขภาพดี ความคิดอย่างนี้อาจซอยได้เป็นสมตอนคือรู้คิดว่าผลที่พึงประสงค์ของการกินคือความมีสุขภาพหรือร่างกายแข็งแรงหรือรู้ว่ากินเพื่อสุขภาพให้ร่างกายคล่องสบายตอนหนึ่งเกิดความพอใจหรือต้องการความมีสุขภาพความคล่องสบายของร่างกายที่เป็นภาวะเกื้อกูล น, นั้นอย่างบริสุทธิ์ล้วนตอนหนึ่ง อยากให้ความมีสุขภาพหรือความแข็งแรงเป็นของฉันหรือให้ตัวฉันเป็นเจ้าของความมีสุขภาพหรือความแข็งแรงหรืออยากให้ตัวฉันได้ชื่อว่าเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพดีหรือว่าฉันอยากจะได้เป็นคนสวยงามอีกตอนหนึง่งอาจคิดซ้อนต่อไปอีกด้วยซ้ำว่าฉันจะมีสุขภาพดี ฉันจะแข็งแรงกว่าเขาฉันจะสวยงามกว่าคนนั้นคนนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าในความคิดเช่นนี้มีทั้งฉันทะและตัณหาเกิดต่อซ้อนกันอยู่โดยฉันทะาเกิดแล้วตัณหาเกิดตามจัดเข้าในหลักว่าอุสนเป็นปัจจัยแกอากุศลได้ และเมื่อกระบวนความคิดเดินมาถึงขั้นเกิดมีตัวตนเจ้าของตัญหาขึ้นแล้วก็เป็นอันได้เริ่มต้นเพราะเชื้อสำหรับการก่อตัวของทุกและปมปัญหาต่างๆไว้สืบต่อไปอย่างไรก็ตามข้อที่ว่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับการทำความดีของปุถุชนทั้งหลายที่จะยังมีตัญหาคอยเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ด้วยเสมอและจึงยังเป็นความดีที่สั่งสมทุก หรือก่อทุกได้ข้อที่จะพึงปฏิบัติในกรณีเช่นนี้ก็คือพยายามใช้โยนิโสมนสิการตั้งสติสัมปชัญญะและปลูกฝังฉันทะไว้คอยตัดทางหรือตัดหน้าอาวิชชาตันหาอยู่เสมอเสมอและพยายามไม่ให้ตันหาเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากฉันทะต่อไปได้หรือเมื่อมีอันเป็นไปว่าตันหาเกิดขึ้นแล้ว ก็พยายามหันเหทิศทางหักให้ตัญหากลับเป็นปัจจัยแก่ฉันทาตามหลักอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อีกทำได้เพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นปูตุชนขั้นดีมากแล้วแล้วเรื่องนี้ยังจะได้พูดกันต่อไปอีก